ท่านสาธชนวตรบริษัททั้งหลายและประโยคาวาจรทั้งหลายสาหรับเวลานี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากานสมาทานศีลสมาทานประกรรมฐานแล้วในวันนี้ขอแนะนำท่านในหมวดของจตุธาตระธานสีเป็นพระกรรมฐานกองหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน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 ความเจริญของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นแต่เรามองหนังมีความอ้วนพีมีความผองใส่ร่างกายสวยขึ้นเจริญไวขึ้นไปถึงที่สุดถึ้งความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็วปรากฏว่าตอนนี้น่ารักถ้ารักเขาก็รักกันตรง น, นี้แหละอีตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เปล่งปงั่ง ดูผิวพรรณเปล่งปลั่งชวิวผิวพรรณดีการอบอันของร่างกายดีเป็นที่น่ารักกาลังร่างกายก็มีการท่งตัวนี้เมื่อการอย่างนี้ปรากฏถ้าเรามองกันไปได้ขางด้านมีปรสนาญาณก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจงมันไม่เที่ยง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 มาตอนนี้มองยากนิดหนึ่งที่เห็นว่าอาการร่างกายนี่มันมีสภาพเสื่อมรคที่ว่าแป็นิจจงเรามักจะมองไม่เห็นแต่ใช้ปัญญาพิจารณาจริงๆก็จะเห็นแต่ตอนนี้ต้องใช้ปัญญานิดหนึ่งว่าถ้าร่างกายของเราทรงตัวจริงๆเอาตัวเราก็แล้วกัน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 มันเป็นธรรมดายของมันความหิวเป็นธรรมดายของร่างกายหนาวหรือร้อนเป็นธรรมดายของร่างกายแก่เท่าไม่สมบายป่วยไข้เป็นธรรมดายของร่างกายผมยังออกฟันจะหักหูจะฝาตาจะฟางหลังจะคอมกําลังร่างกายไม่ทรงตัวเป็นธรรมดายของร่างกายและคนร้องสัตว์ทั้งหมด